ต่อไปก็ต่อนก็ในช่วงของภาคค่ำของวัน <c oughs> ของวันที่เก้ามกราเนีเนี่ยห้าสามเป็นการบรรยายพุทธคุณแล้วก็เพื่อให้เข้าถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในการศึกษาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ย สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการเชื่อมโยงพระธรรมคําสอนให้ชัดตอนนี้เรามาศึกษาพุทธคุณที่จริงพอพูดถึงเรื่องการศึกษาพุทธคุณเนี่ยก็กล่าวกันในเรื่องของคําว่าพุทธะหรือสัมมาสัมพุทธะเพราะคําว่าสัมมาสัมพุทธะนี่เป็นสันานนะพุทธะนี่เป็นสันนิ ในชั้นของคําสอนทั้งหลายเนี่ยท่านหมายถึงว่าย่อมเบียดเบียนหรือกําจัดนําออกซึ่งภัยคือความกลัวของสัตว์ทั้งหลายโดยการที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าประโยชน์ในชั้นต้นก็คือทรงสอนให้ประพฤติอยู่ในศีลสมถะวิปัสสนาเป็นความงามในเบื้องต้นก็ได้อาริยมรรคแล้วก็ผลเป็นความงามในทถ้ำกลางแล้วก็นิพพาน เป็นความงามในที่สุดไม่ดังไปเนอะฉะนั้นถ้าอกพิจารณาอย่างนั้นก็จะทำให้เข้าใจได้ว่าและห้ามทรงห้ามเสียจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คือให้งดเว้นจากปาณาฏิบาตเป็นต้นอันนั้นคือในลักษณะของคาว่าพุทธส่วนคำว่าธรรมะก็คือ กำจัดหรือนําออกซึ่งภัยคือความกลัวของสัตว์ทั้งหลายและให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากกันดานคือพบใช่ไหมสังคาก็คืออะไรเบียดเบียนคือกําจัดนําออกซึ่งภัยคือความกลัวของสัตว์ด้วยการทําให้สัตว์ทั้งหลายได้เฉพาะซึ่งผลอันภัยบุญ ร, รวมความก็คือพุทธธรรมะสังคาเป็นสาระเพราะเบียดเบียนนําออกซึ่งภัยขอ ง, งสัตว์ทั้งหลายด้วย แล้วก็การยางสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารทั้งในระดับที่ป้องกันไม่ให้ตกอบายภูมินําไปสู่สุคติภูมิแล้วก็ป้องกันใน้สัตว์นั้นเนี่ยไม่ให้ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นด้วยใช่ไหมตรงนี้ก็คือแล้วก็มาสรุปในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย สรุปที่เราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือต้องการที่จะเข้าถึงพุทธภาวะอย่างที่เรากล่าวใช่ไหมอันนี้พูดเหมือนเหมือนของฝ่ายของมหญญายานแต่ที่จริงไม่ใช่ถ้าว่าโดยตามปรมารหรือสภาวะของปรมาตรน์นตรงนี้พยายามเน้ น, เ, นเพื่ออะไรเพื่อจะได้เข้าใจสภาวะแห่งการที่จะไปตัดสรุ้พุทธธรรมะสังฆาตามสภาวะประมตร์ในพุทธะคือสภาวะแห่งการตัดสรุปอริยสัจ ใช่ไหมพุทธะเนี่ยนี่เราจเจริญพุทธคุณพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมใช่ไหมตรงนั้นการที่เราจะเห็นธรรมของพ่อสามมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นหรือจะเห็นพระผู้มีภาคเจ้าเป็นต้นก็จะต้องเห็นพุทธคือเห็นสภาวะที่ตัดสรตวอริยสัตว์สภาวะที่ตัดสรตวอริยสัตว์ได้ด้วยตนเองสภาวะอะไรที่ตัสรตวอริยสัตว สภาวะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมทีนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็ต้องไปดูอะไรกลุ่มในเรื่องของอริยมรรคอริยมครรคคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวสัมมาวิมารสัมมาสติและสัมมาสมาธิกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสังขารธรรมสังขารขันใช่ไหม ทีนี้ในกลุ่มสังขารธรรมและกลุ่มสังขารลขันเหล่านี้มีเวทนาขันและก็มีสัญญาขันมีสังขารละขันบางส่วนที่ไม่ได้กล่าวถึงนอกจากมรรคคือเป็นธรรมที่อุปากามกรมรรคตลอดถึงในเรื่องของวิญญาณขันคือหมายถึงตัวมรรคจิตนั้นฉะนั้นในขณะที่มรรคจิตตุบบาทเกิดขึ้นทำกิจในการที่จะประหารกิเลส หรือสภาวะที่เข้าไปกําหนดรอบรู้ทุกลาสมูไทยทํานิโรธให้แจง้งแล้วก็ตอนนั้นกําลังจัดสรรในการประชุมอริยามรรคอยู่นั่นคือมกกรรคจิตตุบบาททั้งจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอันนั้นเป็นสภาวะไหมนั่นคือสภาวะจริงๆสภาวะที่เขาไปแทงตลอดไปรอบรู้ทุกษัตริย์สภาวะที่เข้าไปกําจัดสมุทัยสัจจะสภาวะที่เข้ากระทําให้แจง้งซึ่งนิโรธาสัจจะ สภาวะที่กําลังเจริญมรรคสัตว์นั่นเป็นสภาวะจริงๆทีนี้สภาวะของอะไรถ้าหากในกลุ่มของจิตคือมรรคจิตนั่นก็เป็นสภาวะของวิญญาณขันธ์และในนั้นมีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ถ้ากลุ่มอริยมรรคคือกลุ่มสังขาระขันธ์สังขารละขันธ์ที่กล่าวนั้นมีองค์8แต่ยังมีมรรคหรือยังมีธรรมที่เกิดร่วมกับ อริมัรอีกเยอะเพราะเป็นธรรมะที่ประกอบ